เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สวันที่18ถึง25หาทำไมถึงยังติดข้องในขันช่วงนี้ปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจิตเงียบนิ่งตื่นรู้เห็นความเกิดดับทั้งหยาบและละเอียดมีบางช่วงงานเยอะมากต้องคุ้นคิดหนักหน่วงและใช้เวลายืดยาวแต่พอเสร็จงานแล้วกำหนดอาการตรึกนึก เห็นความตรึกนึกเกิดดับสองสารอบก็เบาลงกลับมามีความสุขแบบพักอยู่กับลมหายใจและอิริยาบถได้อย่างสบายแต่พอเ ท, ท้ายของช่วงนี้เมื่อใกล้วันสิ้นเดือนเข้ามาฉันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าเอะเห็นขันเกิดดับก็แล้วมานะก็น้อยลงแล้วทำไมตัดอุปทานในขันไม่สำเร็จเสียทีนะ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 ภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่าความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนมีขึ้นได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับสัตยธรรมเป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้ฝึกตนในธรรมะของพระอริยไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมะของสัตบุรุษ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 ความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนจึงมีได้ภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่าความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนจะหายไปได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมะของพระอริยะฝึกดีแล้วในธรรมะของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษ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 ฉันอ่านแล้วก็ได้ข้อสรุปคือถ้าเล็งเห็นความเกิดดับในขันห้าไม่ใช่อัตตาไม่น่ายุดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ในที่สุดความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนก็จะหายไปเองแต่ไม่ใช่ทวงถามว่าเมื่อไหร่เพราะการทวงถามนั่นเองจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของอุปาทานคือจะยินดีเอามรรคผลให้ตัวฉัน ขณะที่เราเต็มใจให้ความคิดเกิดขึ้นขณะนั้นก็มีอาหารเลี้ยงอุปท า, านอีกมื้อหนึ่งแล้วคราวต่อไปเมื่อมีเอะขึ้นมานิดเดียวสงสัยว่าทำไมไม่ได้มรรคผลเสิยทีฉันก็ดูเข้าไปในขณะจิตนั้นทีเดียวว่าความยินดีเต็มใจที่จะมีสังขารขันนั้นๆั้นบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อเห็นละเอียดว่าเป็นแรงทยานบางๆง ที่มีใ่เหนียวแน่นจิตก็ละวางเสียได้ตามธรรมชาติและเห็นมันดับไปไม่ต่างกับลมแรงอย่างหนึ่งเท่านั้น